หากไม่แน่ใจว่าจะ ก, กำหนดรู้กายโดยความเป็นอิริยาบถอย่างไรก็ควรดึงสมบัติเก่ามาใช้นั่นคือตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเคยนั่งภาวนาอย่างไรก็ภาวนาอย่างนั้นปกติแล้วถ้าหากรู้ได้คล่องทั้งอนาปานสติและอิริยาบถหลักอื่นๆเมื่อลงนอนก็จะปรากฏกายชัดขึ้นเองในความรับรู้ภายใน อีกประการที่น่าคํานึงก็คือแนะนำให้ก้าวลงสู่ความหลับแบบราชสีหรือสีห์สายาของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้มีสติสัมปชัญญะนําซึ่งจะมีความเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นส่วนท่านอนนั้นควรตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าและที่ไม่ควรลืมคือตั้งใจจะลุกขึ้น อุบายง่ายๆที่จะทำให้ได้ผลดังนั้นก็คือก่อนนอนควรนั่งกำหนดรู้ลมหายใจเกิดความสงบสบายและมีสติเป็นรอบที่สุดเท่าที่กำลังกายกำลังใจจะอํานวยจากนั้นก่อนหลับก็ให้ตั้งใจว่ารู้สึกตัวตื่นจะลุกขึ้นดูลมหายใจตามขั้นตอนที่เคยฝึกทันทีแม้ว่าจะเป็นการตื่นระหว่างคืนเพื่อเข้าห้องน้าก็อาจจะภาวนานิดหน่อย แล้วการสร่งสติไว้ไม่ให้ขาดสายไปไหนและหากใครกำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติภาวนาเต็มที่ก็อาจจะกำหนดว่าตื่นเมื่อไหร่จะเดินจงกรมจนกว่าจะง่วงอีกหากเคยมีประสบการณ์เหมือนหลับแค่ครึ่งหนึ่งรู้สติรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่ทั้งกายและใจอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการหลับอย่างมีสติได้ซึ่งมักจะ เป็นผลมาจากการก้าวลงสู่ความหลับแบบสีหใสยานั่นเองยาบทประจำวันผลของการรู้กายในแง่การปรากฏแห่งอริยบทนั้นนอกจากเป็นไปเพื่อความตื่นรู้มีสติสัมปชัญญะของจิตแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับกายยังพลอยเปลี่ยนไปด้วยกล่าวคือเดิมเมื่อเราไม่สนใจจิตดูอริยบทนั้นส่วนใหญ่มีกายก็เหมือนไม่มี พระจิตคลุกเคล้าผัสสะที่ระคายบ้างนานๆจะรู้สึกถึงกายก็เพราะตอนที่อยากเปลี่ยนอเริยบทและพอเกิดสติอ่อนๆเกี่ยวกับกายวกหนึ่งสตินั้นเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อจบการเปลี่ยนเรียบทตามความเรียกร้องจากกายต่อเมื่อมีการฝึกสติตามรู้ลมจนกายนิ่งจิตนิ่งไม่กัดแกว่งง่ายอย่างเคยประกอบกับการเฝ้ารู้ กายโดยความเป็นอิริยาบถบ้างตอนแรกอาจรู้สึกเหมือนไม่ทราบจะดูหุ่นกระบอกนิ่งๆอย่างนี้ไปทำไมแต่แล้วในที่สุดก็จะเริ่มเกิดประสบการณ์ที่แจ่มชัดคือเห็นว่าชีวิตคนไม่มีอะไรนอกจากรูปกายที่เป็นท่าหนึง่งและต้องเปลี่ยนไปเป็นอีกท่าหนึง่แงแน่นอนว่าชีวิตเราทั้งหลายมีหลายแง่หลายมุมมองอื่นให้รับรู้ นอกเหนือจากความเป็นอุรยาบททื่อๆทว่าความจริงก็คือเรามองในมุมไหนก็จะเห็นแต่มุมนั้นสาระคือเมื่อเห็นมุมนั้นก็จะเกิดประโยชน์ทางจิตประการใดขึ้นมาณจุดนี้ก็ต้องทบทวนไว้ไม่ลืมว่าเป้าประสงค์สูงสุดคือเราอยู่ที่การดับทุกอย่างสิ้นเชิงด้วยการปล่อยวางความยึดมั่นกับทั้งไม่ลืมว่าเราอยู่จุดใดในแผ่นดินคือมหาสติปฐานสูตร เรารู้กายโดยความเป็นอิริยาบถเพื่อพัฒนาต่อความรู้ที่ละเอียดยิ่งยขึ้นไปไม่ใช่จมจ่ออยู่เพราะอิริยบราบถประการเดียวถาวรการเห็นแต่ละอิริยาบถก็คือการเห็นกายโดยรวมแบบคร่าวนับเป็นตั้งแต่หัวถึงเท้าอันจะเป็นแน่บทพื้นฐานในการเข้าไปในรายละเอียด เือเก้าวขึ้นสู่แบบอื่นหรือหมวดกายานุปัสนาตามสามัญสำนึกแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเรามีกายอยู่แท่งหนึ่งก้อนหนึ่งคงที่อยู่เช่นนั้นอย่างมากที่สุดก็รับรู้ว่ากายนี้เคยเล็กค่อยๆเติบใหญ่และวันหนึ่งจะโรยรายุคนี้สมัยนี้ทราบละเอียดกระทั่งว่ามีเซลล์ประมาณมหาศาลเกิดตายอยู่ในกายนี้ไม่หยุดหย่อน ถ้าว่าสำนึกปกติก็ยังคงบอกตอนเองว่ากายนี้คงที่กายนี้เป็นเราเป็นของเราส่วนทางกับสวนทางกับความเป็นจริงไม่หยุดหย่อนเช่นกันต่อเมื่อเห็นชัดผ่านอุรยาบทว่าแต่และ ว, วินาทีนั้นกายนี้ไคร้หุ่นปั้นที่บางคราวนิ่งนานบางคราวขยับเปลี่ยนอยู่ตลอด แต่ก็เห็นแปลกไปกว่าเดิมว่าที่จริงแล้วกายไม่เป็นอะไรที่คงเส้นคงวาเป็นเปลือกหรือผิวนอกที่สุดของกายเช่นความเป็นอุเรียบดก็ต้องปรับต้องแปลงภายใต้เงื่อนไขบีบคั้นเป็นจังหวะจังหวะ ฝึกอิริยาบทขอภัยค่ะหากฝึกอิริยาปฏิบับได้ถึงขั้นที่เหมือนกายเดินจงกรมเองมีจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเท้ากระทบและกายเคลื่อนแยกเป็นอีกภาคหนึ่งหรือนั่งอยู่เหมือนหุ่นปั้นที่ถูกดูมาจากอีกมิติหนึ่งอันภัสจาักการครอบครอง เป็นเจ้าของก็นับว่าได้พื้นฐานที่ดีต่อการรู้เช่นกันในชีวิตประจำวันแม้จะยังสื่อสารกับผู้อื่นเป็นปกติทว่าจิตภายในจะเห็นเป็นคร้ า, าวๆว่าทากิจทั้งหลายโดยสักแตว่าเป็นกิริยาจบกิริยาหนึ่งแล้วก็จบกันไม่มีมนทินใดติดใจไม่มีเรื่องราวไหนปรุงแต่งจิตต่อว่านี่เรานี่ของเรา นั่นคำพูดของเรานั่นคำพูดเขาเพราะฐานของสติไม่ใช่เรื่องราวภายนอกเพาะว่าเป็นอเรียบทภายในเท่านั้นเมื่ออยู่นอกทางจงกรมหรือนอกที่นั่งสมาธินั้นบางคราวเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือความบีบคั้นให้เกิดอเริยบทเป็นไปต่างๆได้หลายหลากเช่น การนั่งบางทีต้องอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนนั่งเอามือเท้าคางบ้างนั่งก้มหน้าขับถ่ายอุจจาระบ้างการยืนบางทีก็ยืนเอามือเท้าเอวบางทีก็ยืนเอาศอกเท้าสันโต๊ะนี่คือเป็นที่มาแห่งพระพุทธองค์ทรงกาหนดรู้ก็คือ เธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นให้ในความเห็นชัดชิดิศไม่เกี่ยงงอนไปทุกอาการนั้นที่สุดแล้วแต่ผู้ภาวนาจะมีสติสมบูรณ์จะพบว่าบางคราวรู้ชัดเพียงกายเป็นก้อนทึบในท่าหนึ่งแต่บางคราวอาจสองรู้แจ่มแจ้งกราวกับกายเป็นถ้ำเป็นคูหาหรือเป็นโพล เป็นโครงร่างที่จิตอาศัยตัวของกายเองก็เหมือนหุ่นว่างเปล่าที่ถูกรู้ถูกดูมาจากเบื้องหลังคลายที่มีช่องว่างระหว่างจิตกับกายอยู่ในทีเหมือนใกล้จะเห็นรายละเอียดในถ้าอยู่รําไรอันที่จริงธรรมชาติกายกับจิตไม่ได้แยกจากกันอย่างกระดาษคนละแผ่น แล้วก็ไม่ได้ประกบกันอย่างกระดาษสองแผ่นที่แปะติดสนิท ด, ด้วยกาวเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติภาวนาแล้วเห็นกายเป็นอันเดียวกับจิตก็ดีหรือเห็นกายแยกเป็นต่างหากจากจิตก็ดีย่อมเป็นเพียงความเห็นที่เกิดจากสติสัมปชัญญะที่แ ต, ตกต่างกันเท่านั้นสิ่งที่ควรคํานึงถึงจึงไม่ใช่การพยายามล้วงลึก หรือเตกรอบว่าจะต้องเห็นกายแยกเป็นต่างหากจากจิตหรือเห็นจิตเป็นอันเดียวกับกายเพราะถ้ามัวพะวงอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นผลการปฏิบัติที่เยี่ยมยอดอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชั้นเลือดเสียแล้วปัญญาอันเกิดแต่การจ่อรู้จ่อพิจารณาอย่างนั้นธรรมะธะธรรมชาติตามจริงย่อมไม่เกิดเพราะจิตมัวอยู่ในอาการปรุงแต่งเสียหมด หน้าที่เรามีแค่ให้เหตุปัจจัยคือกำหนดรู้กายโดยความเป็นอุรยาบทต่างๆเท่าที่จะทำได้ตามคุณภาพของจิตแต่ละขณะอํานวยพ้นออกมาอย่างไรก็รับรู้ไว้อย่างนั้นไม่ต้องปรุงแต่งอย่างไรต่อเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติอุรยาบัปอ์อิรยาปัท บ, บอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วรู้ไปทุกอาการที่กายตั้งอยู่แล้ว มีความสุขขึ้นกว่าเดิมได้มากแล้วจะเหมือนรู้เล่นๆไม่ได้บังคับบัญชาควบคุมให้ต้องภาวนาเครงครัดอะไรแต่ผลที่เกิดจากความสั่งสมอย่างต่อเนื่องผ่านวันผ่านเดือนจะเป็นความรู้จริงๆเกี่ยวกับเปลือกของกายลดความยึดมั่นถือมั่นว่านี่กายของเราอิริยาบถของเรารู้รึกขออภัยค่ะรู้ซึง้ง อยู่ภายในโดยไม่ต้องฟังใครบอกผลและสิ่งหนึ่งที่พบเป็นปกติสาหรับผู้การฝึกสติตามรู้ลมเป็นนิดคือทราบว่าลมหายใจนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอิริยาบถในแง่ของการทําความรู้ตัวนั้นเราจะไม่หมายให้จิตจ่อสนิทกับลมหายใจแบบทาสมาธิแต่จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความรู้อิริยาบถ หรืออาจจะใช้ลมหายใจเป็นตัวเรียกสติให้กลับมาจากวังวนของความฟุ้งซ่านออกข้างนอกกลับทั้งให้ผลลัพธ์แบบสมทบทุนคือเมื่อถึงเวลาต้องพักสงบด้วยการรู้ลมหายใจอย่างเดียวก็จะตั้งมั่นง่ายเพราะมีกำลังอยู่แล้วรงวง้าสสำหรับคารวอยังออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบ ก็อาจจะพบว่าการวิ่งประเภทเจ็อกกิ้งหรือว่าวิ่งบนสายพานที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะนั้นหากกําหนดรู้เท้ากระทบอย่างเดียวก็จะให้ผลดีเสริมการออกกําลังกายเข้าไปอีกบางคนก็พบว่าการวิ่งเพื่อรู้เท้ากระทบนั้นให้ผลดีในเบื้องต้นมากกว่าการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเสียอีกนี่อาจเป็นเรื่องของจริตหรือความพร้อมทางกายใจที่แตกต่างกัน อัญชี่ให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบตายตัวแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสติรู้เป็นหลักดูอิริยาบถโดยความเป็นวิปัสสนาเมื่อได้พื้นฐานของการรู้อิริยาบถสี่แน่นหนาพอสมควรแล้วผลที่ควรได้ก็คือความสามารถของจิตที่จะสำเนียกกำหนดอิริยาบถ ท, ทั้งปวง โดยความเป็นสิ่งถูกรู้กล่าวคืออริยบทปรากฏชัดเจนว่าเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมไม่ใช่อันเดียวกันกับผู้รู้ผู้เป็นนามธรรมพระพุทธเจ้าตรัสปิดท้ายอริยาปัฏบบเหมือนกับอานาปานับบและจะเหมือนกับทุกบับของหมวดกายานุปัสนาท่านจะใช้คําว่ากายในกายตลอด ซึ่งหมายให้ดูสภาวะธรรมที่ปรากฏในแต่ละบับนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของกายอย่างเช่นเรากำลังฝึกอยู่ในขั้นอนาปานาบับกายในกายก็คือลมหายใจแต่ถ้าฝึกอยู่ในขั้นอริยบับขออภัยค่ะถ้าฝึกอยู่ในขั้นอิริยาปบับัก บ, บกายในกายก็ต้องเป็นอิริยาบุตรนั่นเองปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับความเห็นหรือการตีความ ซึ่งผู้ศึกษาทั้งปริยัตและผู้ลงมือปฏิบัติอาจเห็นแตกต่างกันบ้างอันนี้ก็ต้องทบทวนกันว่าพุทธประสงค์ในการให้ฝึกสติปัฏฐานสีนั้นก็เพื่อรู้กายและใจโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้แล้วจิตก็ได้จะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นกระทั่งมลุมักผลในที่สุดฉะนั้นใครจะมีความเห็นในการปฏิบัติเช่นไร ก็ควรคำนึงว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเกิดผลตามพุทธประสงค์หรือเปล่ายากง่ายหรือเป็นไปได้จริงสำหรับตนเองเพียงใดลำพันการอ่านอย่างเดียวไม่อาจก่อให้เกิดความสงสัยลังเลไม่อาจปักใจเลือกปฏิบัติในขั้นของวิปัสสนาด้วยความมั่นใจแต่ขอให้สังเกตว่าถ้าปฏิบัติได้ผลตามลำดับขั้นนับแต่ปรุงคุณภาพจิต และรู้ตัวอย่างวิปัสนาในอนาปานบับตลอดจนกระทั่งรู้ชัดในอริยบทสี่แจ่มแจ้งแล้วสิ่งที่จะศึกษาต่อไปนี้ก็คือภาพภายในและภายนอกของสภาวะธรรมอันประจักษ์อยู่กับประสบการณ์เฉพาะตนนั่นเองมาดูตามลำดับขั้นที่พระพุทธองค์ให้พิจารณาหลังจากทมสมถะในอริยปัฏฐา ดีแล้วพิจารณาเห็นกายภายในบ้างความข้อนี้ในอิรยาบถบัพอาถอดให้อ่านง่ายขึ้นนิดนึงก็คือพระพุทธองค์ให้พิจารณาเห็นอิรยาบทอันเกิดด้วยกายนี้นับแต่เดินยืนนั่งไปจนกระทั่งนอนที่เคยสำคัญว่าเป็นเรา หรือเป็นที่อาศัยของเราขั้นนี้ต้องรู้ให้ได้สักแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมหนึ่งเป็นเปลือกของกายที่มีไว้ในกำหนดรู้เท่านั้นพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างเช่นที่เคยอธิบายไว้แล้วในอนาปานบัพพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเข้ามาที่กายของตนเอง ถอดถอนเอาความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นในตัวเราก่อนเมื่อเกิดจิตสัมผัสแล้วจึงให้ดูกายใจคนอื่นโดยความเป็นอย่างนี้เพื่อถอดถอนความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นในตัวเขาเป็นอันดับต่อมาจึงนับว่าลบล้างอุปทานอย่างสมบูรณ์แบบในขั้นของการรู้อิริยาบถนั้น จิตจะเก็บตกความรู้ในแง่ความเป็นอาการต่างๆของกายมากมายหลายหลักไปเรื่อยอย่างเช่นเดินจงกรมมีทั้งได้รู้ภาษากระทบระหว่างฝ่าเท้ากับพื้นมีทั้งได้รู้จังหวะช้าเร็วในการก้าวยา่างมีทั้งได้รู้ความตรงของหลังและคอทั้งหมดก็จัดเป็นการเก็บข้อมูลสะสมไปเรื่อย โดยไม่จำเป็นจะต้องจงใจตระหนักหรือจดจํานานเข้าพอจิตถูกย้อมให้ติดความเห็นแต่อิริยบถคราวนี้พอมองทางไหนเมื่อตาประจบกับรูปมนุษย์เข้าแล้วหากไม่ปล่อยให้เกิดความมั่นหมายว่านั่นรูปร่างหน้าตาเพื่อนเรานั่นรูปร่างหน้าตาพ่อแม่ของเรานั่นรูปร่างหน้าตาคนรักเรา แต่ส่องดูอิริยาบถของเขาให้เหมือนส่องดูอิริยาบถของเราเองเช่นเห็นเดินก็รู้ชัดว่าลักษณะเดินของเขาเป็นอย่างไรเห็นจังหวะคงเส้นคงวาหรือช้าบ้างเร็วบ้างคอหรือหลังตั้งตรงหรือไม่จะเกิดมุมมองอีกแบบเป็นมุมมองอันเกิดจากสัมผัสภายในเห็นแต่อิริยาบถไม่หมายมั่นว่าเป็นใครชื่ออะไร คุ้นเคยหรือแปลกหน้าจิตที่สัมผัสอาการเดินคือการตามรู้ก้าวย่างจิตที่สัมผัสอาการยืนคือการตามรู้ความเหยียดทั้งตัวในแนวตั้งจิตที่สัมผัสในการนั่งคือการตามรู้ความเหยียดตั้งครึ่งตัวจิตที่สัมผัสการนอนคือการตามรู้ความวางราบทั้งตัว รายละเอียดปลีกย่อยที่แฝงอยู่ในแต่เรียบทไม่จัดว่าสำคัญนักและความช้านานในการเห็นความเป็นเช่นนั้นก็ควรแปลผันตามคุณภาพของสติในแต่ละขณะไม่ควรให้ช้าหรือนานตามความเพ่งเล็งเกินตัว เจนานาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างไม่เห็นแต่อริยบททั้งในเราและในเขาเหมือนกันไม่ว่าเดินยืนนั่งหรือนอนจิตจะหลุดจากอาการปรุงแต่งแบ่งเราแบ่งเขาแม้จะเป็นระดับเบื้องต้นก็ให้ผลเป็นความเบาลงของอัตตามานะอย่างเห็นได้ชัดเพียงข้าง น, นี้ก็เริ่มเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆได้แล้วคือไม่มีเขาไม่มีเรา ไม่มีชายไม่มีหญิงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่อิริยาบถหนึ่งๆให้รู้แล้วอิวริยาบถนั้นก็แปลเป็นอีกอิอิริยาบถหนึง่งการเห็นอิริยาบถภายในและภายนอกนั้นอาจเกิดขึ้นสลับกันหรือพร้อมกันทีเดียวขึ้นอยู่กับจังหวะที่จิตพร้อมเกิดสัมผัสชัดอย่างจงใจรู้ให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเวลา บางคนอาจพบอุบายภาวนาโดยยืมจังหวะเท้าที่ก้าวเดินของคนอื่นมาใช้ระหว่างหยุดพักจงกรมคือแทนที่จะเดินเองก็เอาจังหวะเดินของคนอื่นมาทำให้เกิดจังหวะในใจแปะแปะแปะตามที่เคยรับรู้ในตนอันนี้ก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันและเป็นสมาธิชนิดที่จะพิจารากายผู้อื่นโดยความไม่ใช่บุคคล เห็นกายผู้อื่นสักแต่เป็นอิริยาบถหรือเห็นใครนั่งหลังตรงสบายอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัสความตรงที่ถูกยกขึ้นด้วยกระดูกสันหลังนิ่งๆแสงสติของเขาก็อาจเกิดความมีสติอย่างเดียวกันขึ้นในตนตามไปด้วยพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง ในที่นี้คือเท่าทันขณะอิเรียบทหนึง่งหนึ่งเกิดขึ้นเช่นเมื่อเริ่มลุกจากเตียงตอนเช้าก็เห็นอิรียบทนั่งเกิดขึ้นตามหลักการแล้วก็ควรจะนั่งจนแน่ใจว่าเห็นอิรียบทนั่งชัดซึ่งแปลไปตามคุณภาพจิตในแต่ละขณะหากฝึกดีแล้วก็มักจะเห็นพร้อมกันทีเดียวกับอิรียบทนั่งเกิดขึ้นเต็มท่าแต่ถ้าหักมีความล่าช้าในการรู้ ก็อาจจะต้องนั่งจนกว่าสติจะตามมาทันกายกาพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างสมมุติว่ายังตั้งหลักกันอยู่ในขณะลุกจากเตียงนอนเชา<ว>้าแรกรู้แก่การเกิดขึ้นของอิริยาบถนั่งอีกเช้าหนึ่ง รู้เชก่อนว่าลืมตาทีแรกยังอยู่ในอิริยาบถนอนธรรมดามนุษย์เริ่มอิริยาบถแรกของวันด้วยท่านอนฉะนั้นทันทีที่เปลี่ยนกิริยาเช่นดึงตัวขึ้นจากความเอนราบก็ต้องถูกรู้เท่าทันว่าอิริยาบถนอนนั้นเสื่อมลงแล้วขอให้สังเกตว่าหากไม่นอนนิ่งๆจนจิตรู้ถึงกาย ในการนอนแล้วจะยากต่อการรู้ตรงไหนคือรอยต่อตรงไหนคือความเสื่อมไปแห่งอิรยิยาบถนอนแลกเริ่มฝึกหัดจึงมีความจำเป็นต้องรู้จักนิ่งอยู่กับอิรยิยาบถใดอิริยาบดหนึ่งจนเห็นชัดเสียก่อนดังเช่นเคยสมมุติว่ากลายเป็นหุ่นปั้นเราจะกล่าวว่าเปลี่ยนจากท่าหนึ่งหรือภาวะความเป็นอย่างหนึ่ง ก็เพราะความเป็นเช่นนั้นค้างคาอยู่พอรู้เขาถนัดแล้วหากจิตมีความสงบมีความผ่องแผ้วมีความนิ่มนวลปร่งเบาจะด้วยสมรถดีพอจากอนาปานบับหรือส่วนของอริยาปัฏบับเองก็ต่ามถึงระดับหนึ่งจะเห็นกายชัดเป็นช่วงยาวโดยไม่จำเป็นจะต้องอาศัยความนิ่งของกายเป็นเครื่องช่วยเพราะจิตเองจะมีความว่องไว รู้เท่าทันแต่ละขยับแต่ละกระดิก ข, ของกายไปหมดอย่าว่าแต่เพียงอาการเสื่อมไปของอิริยาบดหนึ่งๆพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างยังจะขอสมมติเอาการตื่นนอนเป็นหลักพิจารณาเช่นเคยเมื่อสติไวพอจะเห็นโดยความย่นย่อทั้งความเกิดขึ้นของอิริยาบทนั่ง และความเสื่อมลงของเอียริยบอนอนเรียกว่ามีความแฝงอยู่ในการและกันในจุดเชื่อมต่อระหว่างท่านอนกับท่านั่งแรกๆอาจเห็นความเป็นเช่นนั้นในอาการไหวตัวของแผ่นหลังขึ้นนั่งต่อมาเกิดกระแส ร, รู้อย่างลงไปว่าความเป็นอย่างนี้ดับไปแล้วสืบต่อด้วยความเป็นอย่างนี้หากอ่านหรือเขียนบอกอย่างเดียวดูเหมือนนา แกเข้าใจง่ายๆด้วยประสบการณ์ที่ทุกคนคุ้นชินแต่เมื่อสติคมค่ายว่องไวพอจะรับรู้ตามจริงก็จะเห็นแปลกไปอีกอย่างคือเราเคยรู้ขออภัยค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้กายจะรู้สึกเหมือนเป็นก้อนคงที่ก้อนนี้เมื่อรู้เห็นดังนี้เธอย่อมเป็นอยู่อย่างหนึง่ง คือเข้าไปตั้งสติว่ากายก็มีสักแต่ว่าเอาไว้รู้เพียงสักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูการาภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เสมอขั้นของเอริยบทซึ่งต้องลืมตาตื่นอยู่ในชีวิตประจําวันนั้น จิตจะเริ่มทำตัวเป็นพื้นยืนของปัญหาและทิฐิมาจริงๆจังจังเพราะในขั้นของอานาปนาบัปนั้นยังต้องหลับตาและไม่รู้เห็นรอบเป็นปกติเหมือนอย่างขณะลืมตาตื่นในขั้นของเอริยาปัตถบัปโดยเดิมทุกคนจะมีความเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางของโลกเมื่อมองเห็นด้วยสัมผัสใหม่ว่าเราไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอก นอกเหนือจากอิริยาบถสและคนทั้งหลายก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากอิริยาบถสี่เช่นกันโลกก็จะปรากฏเป็นของว่างจากตัวตนมีกายทั้งภายในและภายนอกก็เพียงไว้อาศัยประลึกจิตไม่ทําตัวเป็นพื้นยืนของปัญหาทิฐิใดๆไม่เป็นชนวนให้ยึดมั่นถือมั่นว่าใครเป็นใครเลยจิตไม่วาดใครหน้าตาดี หรือน่าเกลียดชวนชงหรือว่าชวนเมินสรุปเมื่อสำเร็จ อ, อิริยาปับบับแล้วผู้ปฏิบัติก็จะเริ่มเห็นว่าขั้นตอนในมหาสติปัฐานสูตรนั้นคุมกันอยู่ ทรงเสริมกันอยู่เหมือนระบบทุนต่อทุนทุนแรกคือมีกายใจมีสติปัญญาแบบมนุษย์เอามาลงทุนตามรู้ลมหายใจกระทั่งทราบชัดว่าลมหายใจไม่ใช่ตัวตนถัดจากนั้นก็นับได้ว่าทุนใหม่ไปต่อทุนอื่นอีกแล้วก็อีกศรัทธาในาศาสนาทั้งหลายนั้นบางครั้งต้องอิงอาศัยความเชื่อบางครั้ง ต้องอิงอาศัยความตื่นเต้นในปาฏิหาริบางครั้งต้องอิงอาศัยความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมที่เลื่อมสายทางเดียวกันแต่หากเกิดเรื่องให้คลอนแคลนความเชื่อหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งจนเดือดร้อนเนื้อร้อนใจศรัทธาก็อาจจะพังทลายลงอย่างไม่ยากเย็นนักถ้าใครเข้าถึงศรัทธาในพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติจนเกิดพุทธิปัญญาเอาแค่ เพียงมาถึงขั้นที่รู้ว่าจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีรสอย่างไรให้ผลระยะสั้นระยะยาวแบบไหนต่อให้วันหนึ่งมีใครชี้ว่าพระพุทธประวัติส่วนนั้นส่วนนี้เป็นของปลอมของแต่งเติมในภายหลังศรัทธาในพระพุทธองค์ก็จะไม่หวั่นไหวสะเทือนเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้แน่เสีแล้วว่าพระพุทธองค์ก่อตั้งาศาสนาขึ้นมาด้วยเป้าหมาย เรื่องทุกข์และการดับแผ่นทุกข์เมื่อค่อยๆทราบชัดว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนตามพุทธวิธีที่ประทานไว้อย่างเป็นลำดับขั้นก็ปล่อยเชื่อมั่นว่าพระองค์รู้แน่กับทั้งบอกทางไว้ถูกต้องจริงๆตามกติกาแรกที่พระองค์ตั้งขึ้นไวเองศรัทธาที่เกิดจากความเข้าใจแก่นแท้ของพระาศาสนามีความสาคัญตรงนี้เมื่อปฏิบัติตามแนวอย่างเป็นขั้น เป็นตอนกระทั่งเกิดปัญญาก็จะยิ่งเสริมให้ศรัทธามั่นคงไม่บิดเดี้ยวหรือถูกทำลายลงได้ด้วยประการ